หาพัดตักพะวัดตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในโรงฉันสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อย ไม่มีมารยาทในโรงฉันเดินแซงไปข้างหน้าภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างนั่งเบียดภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างกีดกันอาสนะภิกษุนวักะทั้งหลายบ้างนั่งทับสังคาติในละแวกบ้านบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษพากันตนําหนิประนามพลทนาวา่า ฉไหนพวกภิกษุฉับพักขีนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทไปโรงฉันเดินแซงไปข้างหน้าภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างนั่งเบียดภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างกีดการนาสนะภิกษุนวกักะทั้งหลายบ้างนั่งทับสังคาติในละแวกบ้านบ้างเล่าครั้งนั้นแล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 นั่งเบียดภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างกีดกันอาสนะภิกษุนวกะทั้งหลายบ้างนั่งทับสังคาติในละวแวกบ้านบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิประนามโพลทนาครั้นทรงตำหนิแล้ว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 ปิดมนทนสามให้เรียบร้อยคาดประคตเอวห่มผ้าสังคาติดที่พับซ้อนกันไว้กลัดลูกดุมล้างบาทแล้วถือไปไม่ต้องรีบร้อนเข้าหมู่บ้านไม่พึงเดินแซงไปข้างหน้าภิกษุผู้เถระทั้งหลายพึงปกปิดกายให้ดีไปในละแวกบ้านพึงสำรวมดีไปในละแวกบ้าน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 ไม่พึงเดินเท้าะเอลไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินคลุมสีสษะไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวกบ้านพึงปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้านพึงสำรวมดีนั่งในละแวกบ้านพึงทอดจักสุลงในละแวกบ้านไม่พึงนั่งเวกผ้าในละแวกบ้าน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 ในเราแวกบ้านไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระทั้งหลายไม่พึงกีดกันอาสนะภิกษุนวกักกะทั้งหลายไม่พึงนั่งทับสังคาติเมื่อเขาถวายน้ำพึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับน้ำพึงถือบาตรล้างอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดถ้ามีกระโถน พึงเท น, น้ำลงกระโถนอย่างระมัดระวังด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะน้ำภิกษุททั้งหลายที่อยู่ใกล้อย่าถูกน้ำกระเซ็นสังคาติอย่าถูกน้ำถ้าไม่มีกระโถนพึงเทน้ำลงพื้นดินอย่างระมัดระวังด้วยคิดว่าภิกษุททั้งหลายที่อยู่ใกล้อย่าถูกน้ำกระเซ็น สังคาติอย่าถูกน้ำเมื่อเขาถวายข้าวสุกพึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับข้าวสุกเว้นที่ว่างไว้สำหรับแกงถ้ามีเนยใสน้ำมันหรือแกงอ่อกภิกษุผู้เถระพึงบอกว่าท่านจงจัดถวายภิกษุเท่ากันทุกรูปพึงรับบิณฑบาตโดยเคารพ พึงให้ความสำคัญในบาทขณะรับบินทบาทพึงรับบินทบาทพอเหมาะกับแกงพึงรับบินทบาทเสมอขอบปากบาดพิกสุผู้เถระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าข้าวสุขจะทั่วถึงพิกสุทุกรูปพึงฉันบินทบาทโดยเคารพพึงให้ความสำคัญในบาทขณะฉันบินทบาท พึงฉันบินทบาทไปตามลำดับพึงฉันบินทบาทพอเหมาะกับแกงไม่พึงฉันบินทบาทขยุ่มลงแต่ยอดไม่พึงใช้ข้าวสุกกลบแกงหรือกับข้าวเพราะอยากได้มากไม่เป็นไข้ไม่พึงออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาฉันส่วนตัวไม่พึงมุ่งตำหนิมองดูบาทของภิกษุเหล่าเอื่น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 ไม่พึงเทน้ำล้างบาทที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านเมื่อจะกลับภิกษุนวกักกทั้งหลายพึงกลับก่อนภิกษุผู้เถระทั้งหลายกลับทีหลังพึงปกปิดกายให้ดีในละแวกบ้านพึงสํารวมดีไปในละแวกบ้านพึงทอดจักสุลงไปในละแวกบ้านไม่พึงเวกผ้า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 ไม่พึงเดินเท้าสะเออไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวกบ้านภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดในโรงฉันโดยที่ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติชอบในโรงฉัน ธรรมะผานวานจบ